204. สัญญานี้แลที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับทั้งสามการตลอดสัญญาปัจจุบันเท่านั้นที่วิปลาดบ้างในการกำหนดหมายหรือในความจำนานแม้แต่ในอดีตหรืออนาคตที่เป็นสมมติสัจจะก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนได้สำหรับท่านแต่ที่เป็นอารยสัตว ท่านไม่วิปลาสแล้วแน่นอนตั้งมั่นเด็ดขาดเช่นในขณะที่สติใช้งานทั้งภายนอกภายในพร้อมกันอยู่แล้วขณะนั้นท่านมุ่งมั่นอยู่ภายในมากหน่อยสติภายนอกก็ไม่บริบูรณ์บางขณะก็อาจจะถูกโรคแห่งวิปลาสนี้แทรกได้อยู่บ้างเป็นคราวๆก็มีความโบกพร่องได้ ยิ่งเป็นอรหันต์ที่ดับได้แค่อาสวะสิ้นไปยังเหลือเศษอนุสัยอยู่คือเป็นแค่อรหันต์ปัญญาวีมุตเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้มันลึกไปถึงขั้นอาสวะขั้นอนุสัยค่อยๆศึกษาไปโดยเฉพาะในขณะนอนหลับก็มีนิมิตรหรือฝันแม้อรหันต์ปัญญาวีมุตแท้ๆก็ยังเกิดนิพราน เพราะอนุสัยกิจที่เหลือของกิจส่วนวิปลาสที่เหลือยังทำงานอยู่จึงยังมีสัญญาวิปลาสทำงานในขณะนอนหลับซึ่งขณะคนหลับการควบคุมสติไม่ได้เต็มครบเป็นสติมันโตสุบบริบูรณ์ครบสุระภาโวที่มีอาการ32ทวัดติงสาการครบภายนอกและภายใน ในองค์คาะยพบของคนแน่นอนยกเว้นผู้เก่งเจโตสมถะที่สามารถนอนหลับแล้วสามารถดับความรับรู้ภายในได้สนิทไม่รับรู้อะไรเลยเท่านั้นที่ไม่มีรู้ใดๆจึงไม่มีฝันแต่ถ้ารับรู้สึกแม้แต่ในภายในคนผู้นี้ก็วิปลาสอยู่แน่ จึงฝันนั่นแหละคือความวิปลาดอยู่ของจิตมนุษย์เท่าที่บารมีของแต่ละท่านมีกันเพราะสัญญาทำงานทั้งภายในและภายนอกทั้งสามกาละอยู่ไม่ขาดไปจากความเป็นมนุษย์เว้นแต่ผู้สามารถกำหนดไม่เกี่ยวเองในขณะใดเอาได้